ต่อจำเมื่อวานนะครเมื่อวางไม่ถึงไหนนะอันเจนแล้วกบว่าสิกค้าบทที่ที่ห้าจบไปแล้วใช่ไหมครับจะขึ้นข้อหกก็มาดูในอบลศรวิธีครในกางขาหนานะ้าสองร้อสิบสามนะในอบลศรวิธีหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะครับหนึ่งเจ็สบหก ข้อที่4ี่ิกที่สู่รูปใดได้รับนิมนต์ใแล้วเป็นผู้มีพันแล้วพึงถึงการเที่ยวไปในบ้านอื่นจากที่นิมนต์ในเวลาก่อนพัดก็ดีคือมันไม่ได้ฉันพัดที่รับนิมนต์ไว้หลังพัดก็ดีโดยไม่ได้บอกกล่าวที่สุที่ยันอยู่ใกล้ ยกเว้นแต่มีสมัยที่ทรงอนุญาตต้องอาบัรพาสิบปีคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือในฤดูการถวายจีวรหนึ่งเดือนที่ได้อานสงสันษาหรือห้าเดือนถ้าได้อาานสงทิ้งด้วยในทางกระทำเย็ดจีวร นี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นกำลังค้าข้าวครับข้อนี้นะถ้าหบอกว่าพิกสุใดได้รับนิมนต์ไปแล้วได้รับนิมนต์ไปแล้วที่นี่คือข้อนิมนต์ออกชื่อผู้ชนะด้วยนะครับทายกข้อนิมนต์ออกชื่อผู้ช น, นะด้วยนะถ้าไม่มนิมนต์ออกชื่อผูชนะก็จะไม่เข้าข้อนี้ครับเนี่ยท่านก็รับนิมนต์เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเล่านิมนต์แล้ว พึงถึงการทียบกันในบ้านอื่จากที่มี่หมดใช่ไหมคือว่านะครับในเวลาก่อนพ่ันก็ดีหลังพ่านก็ดีนะครับเอาคำว่าในเวลาก่อนพันนะในเวลาก่อนพัาคือยังไม่ได้ไปชนะอารบ้านเขาใช่ไครับในเวลาหลังพันก็คือไปชนะอารบ้านเขาแล้วอันนี้ไม่ได้หมายความว่าก่อนพันคือเช้าคือเที่ยงเป็นเวลาเช้าคือเที่ยงทั้งหมดนะครับทั้งก่อนพันหลังพันในที่นี้นะ ก่อนก็คือยังไม่ได้ไปฉันใช่ไหมหลังคือไปฉันแล้วจะอยู่ในช่วงเที่ยงอยูค่ครับช้าเพื่อเที่ยงอยู่นะครับทีนี้นะยังไม่ได้นะครับอันนี้ีไปฉันนี้ไม่ได้ฉันกันแล้วแต่นะครับไปบ้างอื่นจะบ้านที่เ่านี่มโนไว้นะครับไปบ้านอื่นจะบ้านที่เขาที่นมนไว้เนี่ยมันได้บอกที่สุดที่มีอใกล้ๆอยู่ในวัดนะครับคือธรรมดาถ้าโยเข้ามานี่มโนเราใช่ไหมเรามาออกชื่อผลชนะปุ๊บนะครับ เราจะไปบ้านอื่นนี่นะเราก็ต้องบอกรนาะพิสูจน์ที่มีในวัดก่อนครับถึงจะไปบ้านอื่นได้นะบ้านอื่นเนี่ยไม่หมือนเอาเหมือนบ้าเอาเรือเลยนะครับนะจะเข้าไปสื่อเรือนอีกจากเรียนที่เ้าในมณ์เนี่ยต้องบอกราพิสูจน์ที่มีในวันก่อนถ้าไม่มีผ้าก็ไม่เป็นไรหมายถึงผ้าที่อยู่ใกล้ๆนี่นะรนะะยะของไมสามารถบอกกันหน้เรื่องขางผูดตามปกตินะครับถ้าต้องอยูนะ่ไกล้เลย เราอยู่ตรงนี้ที่ว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้จำเป็นบางอย่างแต่ท่านนู่นอยู่ที่เจดีรุ่ น, กนาก็ใจอันนี้ก็มันเป็นอะไรก็ถือว่าไม่มีนั่นแหละแต่ว่าท่านทามอยู่ก็แก้ไขแล้วก็ต้องบอกลนะบแต่ท่านไม่ได้บอกลาเลยนะแล้วก็เข้าไปในบ้านอื่นนะรเรือนอื่นนะพอเข้าไปในบ้านเขาก็ต้องบัดตามสตีในสีรษะบทนี้นครับนะครับ เข้าไปในบ้านนี้ขึ้นบนบ้านเท่าเลยครับเป็นอาบัตหรือว่าก้าวเข้าธรณีประตูนะเปิดประตูบ้านเข้าไปเลยนะครับก้างข้อแรกทุกคนก้างที่สอเข้าไปในเรือนเลยโดยป่ายตีครับครับอ๋ออ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครับอันนี้เข้าไปในเรือนเท่านั้นครับตอนแรกจะพูดถึงอะไรนะอุปจารย์เรือนก็คือในเขตรั้ว่าบ้านก่อนมันจะเริ่มทุกกดนะแล้วพอเข้าภายในเรือน นี้อย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าไปทางฐานบ้านอะไรนี่มนยังไม่โดนนะครับนี่แหละมันจะมีนี่อยู่นะอันนี้ที่ว่านะครับนอกจากว่าเราได้อ่านในสองกระหินหรือได้อ่านในสองพรรษาใช่ไหมมันจะมีข้อว่าอะไรนะไปไหนไม่ต้องบอกลาใช่ไหมครับก็ไปไหนไม่ต้องบอกลา ค, คือในศีลฐานผลนี่นะคือได้รับนิมนต์ขอกชื่อโพชน่าแล้วนะครับ <S <S เราจะไปบ้านอินเจียบ้างที่ท่านนิมนตะ์เราไม่ต้องบอกลาที่สุดที่ผีในวัดกนะ็ได้ เนี่ยอันนี้ส์กันถิ่นอั น, นิสงส์กันสาข้อนั้นคือข้อนี้นะแล้ว mm hmm. ไม่ต้องอานบัตรด้วยข้อนี้เลยครับหรือคราวที่กระทำจีวรก็สมัยนี้ก็แล้วแต่ที่พิสูจ น, น์ชื่อเวรทำจีวรนะครับอันนั้นก็เป็นสมัยที่ไปได้ไม่ต้องบอกลาเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช่สมัยนั้นนะแล้วพระก็มีอยู่ในวัดเราไม่ได้บอกลาก็จะต้องบัตรไปที่ ไปไปที่ไหนครับอันนี้ไม่ใช่ตอนเรียนนะอันนี้มาเดี๋ยวชาร์จเที่ยงในสิขาบทนี้นะครับไอชาร์จเที่ยงอยู่นะครับไอไปไหนไม่ได้ไม่ต้องบอกลาไม่ไม่ได้หมายถทุกข้อนะหมาในวสิขาบทนี้นะครับไม่ต้องบอกลาในสิขาบทนี้ใช่ไหเร่างมือมือชิโพชนากันแล้วจะไปมากอือไม่ต้องบอกลาคลาดที่อยู่ในวัดก็ได้แต่ในเวลาวิการต้องบอกลาอยู่ดีนะครับมันคนละข้อกันไม่เกี่ยวกันนะคนละข้อกันนะครับ อันนี้ได้อันนี้สง่งเฉพาะข้ อ, อ น, นี้นะครับข้ออื่นไม่ได้หรือถ้าถือนิสัยภูมประชาจารย์ก็ต้องบอกลาท่านใช่ไหมเราจะไปนะครับไม่ใช่เราไปเลยอย่างนั้นนะ <c oughs> นะเพราะว่าเ้านีิมนตเราไว้แล้วนเนี่ยถ้าเราเนี่ยถือว่าเราไม่ได้ไปฉันของค์้าเลยใช่ไหมเราไปที่แล้วไม่ได้บอกท่าที่หมีว่าใครไม่รู้นะครับถ้าเกิชาาดชอบภาคเขาตามมาตามเรานะจะให้ไปฉันใช่ไหมครับเขาก็มาหาเราไม่เจอ แในวัดก็มีทะลุว่าเราไปไหนใช่ไหมครับเนี่ยนะมันก็จะสีครับ ก, ก็ต้องบอกต้องบอกลาเราดูต้องม่อย่างนะครับว่าอันนี้จะชัดเจนน ะ, ะเรื่องนี้ ม, มาจากพระอุปนิสัยอยู่หน้าไหนอยู่หน้าหก <6. S 2> ร้อยรครับเรื่องพระอุปนิทักษส า, ษารกัจยาบุตรโดยสมัยนั้นพระภพุทธเจ้ากระทำ อ, อยู่ณข้าเวงวันมีฐา อันเป็นสถานที่พระจะทางเหยือ่อไข่กระแต่เขตพระนครรา่นคือครั้งนั้นตระกูลประธานของท่านพระอุปนันทาสารกายบุตรแกก็มีปัญหาเยอะนะเพราะว่าแกแท็เก่งครับโยมก็เลือกใส่ปัญหาเยอะนะเนี่ยโยม ก, ก็เลยนิมนต์ท่านฉันพระตาหารแม้ที่สุดหลีกเขาก็นิมนต์ด้วยแม่นิมนต์พระน อ, นอุป น, นิสิตด้วยนะเวลานั้นเป็นเวลาก่อนอาหารถ้ายังไม่ได้ไป ยี่โมลของเรกนะท่านพระอุปนันทาสากะยาบุตร ย, ยังกําลังเข้าไปสู่ตะกูลทั้งหลายอีกนะครับเนี่ยท่าไป <Yeah. S 1> ที่ยตะกูลอื่นใช่ไหมจึงพี่สุรเหล่านั้นได้บอกทายโเหล่านั้นบ้างถ้าต้องหลายจงถวายพระทหารเถิดพี่สุระอื่นนะเข้าไปแล้วจะไม่กิี่โมลนะครัไปแล้วนะถึงเวลาชั้นเนี่ยมันแด ด, ดมองแล้วนะครับแต่พระอุปนันท์กยังไม่มาเลยแกไปหมูตะกูลอื่นเข้าไปในเรือนอื่นนะ ท่าก็ได้บอกโยมไม่ถวายนี่แล้วนะครับมันเพ็นโยมพวกทา ย, ยก่าวว่านี่มนรออยู่จนกว่าพระคุณเจ้ากนนจะมาเคารพจ๋าก็เลรอว่าว่าตั้งใจไงนะให้พระกัณนอเนี่ยมาเลยนะครับแม้ครั้งที่สองพิสูรหล่านั้นก็ได้บอกทา ย, ยกเหล่านั้นว่าท่านั้งหลายจงถวายพระตาหารเธอนะครับสงสัยจะเลยไปสักยี่สิบนาทีแล้วนี่ย เรว่คร <din any> ่งชั่วมงแล้วเนยโยวันนั่นเนี่ยมันเกินมองกว่าแล้วใช่ไหมครับผั่ายก็กล่าวว่านี่มนรออยู่จนกว่าคุณเจ้าอุปนจะมาเขาะ่าให้รออีกหน่อยรออีกหน่อยนะไม่ได้หายเขาตั้งใจให้อุปนรมาได้แก่ยังไม่มาทั้งทีเนี่ยแม้ทั้งที่สามที่สูตรเหล่านั้นก็ได้บอกทายกหลังนั้นว่าถ้าเมื่จงถวายพราทหารเถิดนะครับอาจจะเหลือสึงสีสิบห้าเทียอะไรเงี้ย ให้ถวายแล้วนั่นไม่ใช่นั้นเลยครับเวลาก่อนที่มันจะรุ่งเลยแนละทายกอ้อนวอนว่าพวกกับผมตกแต่งพระทหารก็เพราะเหตุหนึ่งเพราะคุณเจ้าอุปนนนี่มันรออยู่จนกว่าพระคุณเจ้าอุปนนจะมาของเราเลยครับโอ้เวลาก็ไม่เหลือนิดเดียวนะก็่ังจะให้รออีกนะครับอาจจะสิบห้าหรอยี่สินาทนะก็จะให้รออยู่ครับรออคราวนั้นเทวปรญธาสารกระบุตรได้ครอบจุดกูต้องหลายก่อนเวลาฉัน มาถึงเวลาบ่ายี่ครับอยู่ทั้งหลายไม่ได้ฉงตาประสงค์สงสัยจะเหลือตัอห้านาทียังไม่ค่อยเก็เทนท่าเนี่ยถ้าถิดเอาแบบจุ่วนเวลาตันเลยนะท่านก็ไม่ได้ฉงตาประสงค์ลเวลาเหลือน้อยนะเน่ะบรรดาที่สู่เชื่ผู้มากน้อยฉันโดดแต่ก็เพ่งเข้าดีเกนพิจาราว่าท่านพวกมพลังทาสังอัยบุตรเล่นนิมนต์เขาแล้วมีพ่อทหารอยู่แล้ว มีปัญหาหมายเองอาหารที่ด้านวนคลองหลายนะครับฉะนั้นจึงได้ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปเด็กคุทั้งหลายให้ก่อนเวลาสามรอแล้วาล่าวเรื่องนั้นแดกหลวงอาจารย์ทุกทัวรก็ทรงสอบถามทรงตรีเตียมทุกประนบนแล้วก็มาเรียนสขาบุตรขึ้นมานครับภาพปอย่าง์ข้างหรกเนี่ยมีแค่ว่าก่อนฉันนะอันหนึ่งที่สู่ดายล่อมนิมนต์แล้วมีผ่านอยู่แล้วถึงความผู้เทื่อไปเด็กคุณทั้งหลายให้ก่อนฉันเป็นปลาดี เนี่ยพระมันอยา่างครั้งแรกเช่นนี้นะครับก็เกิดเรื่องอีกนะก็โดยสมัยนั้นแหละแต่กลุ่มประธานของท่านผู้ประนันทาสารกยบุตรได้ส่งของเคี้ยวไปถวายแก่สงสั่งว่าต้องมอบให้พระคุณเจ้าประนถวายแก่สงซึ่งพวกเขานี้ยึดติดคนมากนะเจ้าความประนูลให้ได้นะครับถึงแม้ที่สุดส ง, อ ง, องรอบอีกก็ไม่เอานะจอบจ้องลูกนี่มันก็ไม่ได้ดยุสงอดคนอื่นจะออกก็แล้วแต่นะต้องให้ลูก <laughs> ใช่นะครับเนีย่ยบอกว่าเจ้ามอญพระคุณเจ้าปรนบนิพานแห่งสง์แต่เวลานั้นท่านพ ร, ระอุปนันทชาติศักยบุตรกําลังเข้าปินทะบาดยังหมู่บ้านนะครับเมื่อชาวบ้านเหล่านั้นไปถึงอารามแล้วถามมิจฉาหลายว่าพระคุณเจ้าประนบนไปไหนเจ้าข้ามิจฉางหลายต่อว่าท่านพ ร, ระปนันทชาติศกยะบุตรนั้นเข้าไปบินทะบาดยังหมู่บ้านแล้วจ้ะชาวบ้านสั่งว่าท่านเคารพ ของเคี้ยวนี้ต้องมอบให้พระคุณเจ้าประน น, ถ ว, น, นนะะถวายแกสงใสเลยนะต้องมอบให้แกถวายแกสงให้ได้ครับให้คุณเป็นถวายใช้ไม่ได้นะต้องให้เขาปร น, นนี่แหละที่สุดท่างหลายได้กลามคือเนื้อควานั้นแดบบ่ที่พ์ว่าพระเจ้าพิมพ์ว่าพระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายถ้าเช่นั้นพวผู้จะลบประเคแล้วเก็บไว้จนกวามปรนนจะกลับมานะครับที่พระพุทธตัดอย่างเนี้นะ ก็พูดถึรักษาศรัทธาพ่อว่าครับที่โปร่งไม่แจกกันฉันเลยพ่อแกไม่มามมใช่ใหหไหมพ่อแกไม่แจกครับให้รับบเสเทวดาก่อนรักษาศรัทธายาโยานะที น, นี้ส่วนท่านพระปันธาสารกยาบุตรได้คิดว่าการถึงความพูดเที่ยวไปแต่คุณทั้งหลายก่อนเวลาฉันคุณว่าพ่อเจ้ า, จาสรงห้ามแล้วจึงเข้าไปยังแต่คุณทั้งหลายหลังเวลาฉันแล้วไป ของเคียได้ถูกส่งคืนกลับไปนะครับหมายา็ว่าไอ้ของเคริยที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับคือภาไปกิมนิมนต์ไปฉันกินนิมนต์เรียบร้อยแล้วนะแต่มีอยู่ในช่วงช้าว เ, เที่ยงนะครับเขาก็ส่งของเคี้วมาที่หลังอีกนะมันก็ยังมีเวลานะข้าวกินนิมนต์ไปฉันชา้าใช่ไหมถ้าเขาไปฉันชา้าเรียบร้อยเขากลับมาเขาก็ยังส่งอาหารมาถวายอีกนะครับอันนี้ถือว่าหลังฉันนะใช่ไหมหลังฉันอาหารกินนิมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย ทีนี้แกก็เลยเที่ยวไปตะกูลอยีกเหมือนเดิมครับพอท่านจอดรถให้แกนะถวายสงมือครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยน ะ, ะนะจึงเข้าไปยังตะกูลทั้งหลายหลังแล้วเวลาฉันแล้วบ่ายจึงกลับนะครับของเคลรได้ถูกส่งคืนกลับไปพ่อแกไม่กลับมาทันทีเพราะสงว่าไม่ได้แจกเงินฉันนะครับเลยเวลาเที่ยงบ่ายแกกลับมาเนะขาส่งอาหารกลับไปบรรดาพิสูจที่เป็นผู้มากน้อยถึงโดษ ต่างก็เเพ่งติดเตรียมบทนาว่าชไนพระท่านพระอุปนันทาสารแกยบุตรจึงได้ถึงความเป็นผู้เที่ ย, ยวไปเนื่องแต่คูนทลายหลังเวลาฉันล่านะครับ <c oughs> คือหลังจากที่ไปใช้กินน้ำมนต์แล้วนะแล้วการเรื่องนี้แต่าาทีพระเจ้าทุเรงทรงสอบถามออทรงติดเตรียมผู้อุปนแล้วก็อนุบัญรรย์ที่มาแล้วครั้งแรกนะครับเรื่องนี้เรา้นกั ก็จะมีคำ ว, ว่าทีหลังฉันก็ดีนะครับปัญหาอีกีเพิ่พมขึ้นมานะครับคือก่อนฉันก็ดีหลังฉันก็ดีนะไปไม่ได้นะครับถ้าปัญหาตอนนี้ยังไม่มีบอกว่าบอกลาพิสุทธิที่มีอยู่นะก็คือไม่ให้ไปเลยนะครับต่อไปนะครับอา่าโดยสมัยโดยสมัยต่อมาถึงคราวถวายจีวรกันพิสุทธทั้งหลายพากันลังเกียดไม่เข้าไปสุตตูกูนะครับจีวรจึงเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยพ่อไทยยังคอเตรียมอาหารไว้นะ แล้วก็จะถวายอะแล้วก็พ่อหมดถวายจีวรแกะผ้านะครัทีเนี้ยท่านร่ำนิมนต์มาแล้นใช่ไหมท่มานก็เลยไม่ยอมไปอที่ที่ก็จะถวายจีวรเขาก็เลยไม่ถวายจีวรให้นะครับชิมว่าเ ก, กิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอ่าเป็นจุฑาลัยได้กล่าวเรื่องน้ําแดนมนตผ้านเจ้าน้ำผ้าเจ้าตัดว่าดูก่อนจุฑาลายในคราวที่ถวายจีวรราวเนี้ยให้เข้าไปสว ด, ดกูลหนะ้าในช่วงที่สองแล้วก็สอน้บัญญัติขึ้นมา ก็มีคําว่าอะไรนะเอาไว้ไม่แต่สมัยนะครับเป็นปานจิตตีนี้สมัยในเรื่องนั้นคือขายสวาจีวอนก็ไปสืบสกุลได้โดยสมัยต่อมาอีกนะครับพิจิตรทัางหลายทาจีวอกันอยู่ต้องการเข้มบ้างได้บ้างนี้บ้างเนี่ยพิจิตรท่างหลายทางกําลังเกียมไม่เข้าไปสืบสกุลเขาว่ารับนหมดเวลาใช่ไหมนะครับจริงกาคุณเรื่องนั้นแต่ไม่มาพลาดเจ้า คือพระเจ้าตัาดราวมก่อนพิสุทเทัางหลายในคาที่ทาจีวอเราไม่ให้เข้าไปสู่ภูร่าถึงเรา่มมีมรอคชื่อเทวทินาแล้วนะก็เข้าไปได้แล้วสองก็สองร่วมันอยากขึ้มานะว่าในคทาทาจีวรเข้าไปได้ด้วยสมัยต่อจากนั้นมาพิสุทธิเท่างหลายอาพาและมีความต้องการเพศพิสุสทธิ์ทัางหลายพากลังเขียนไม่เข้าไปสู่ตัวภูนะ่า ท่านป่วยท่านรำนิมนต์มาล้วใช่ไเขาอาจจะขอชนะด้วยถ้าต้องการยาแต่ไม่ก็ไม่กล้าเข้าไปสืบสกูลครับจึงการพูเรื่องนั้นแต่พุทธมาราชาพุทมาราชาตันว่าทุกอนทุาเราไม่ยาตให้บอกลาที่สุซึ่งมีอยู่แล้วเข้าไปสืบสกูลได้ะครับก็อนุญาตมาเป็นข้าวที่สี่นะก็เป็นภาพเหญ่เต็มๆหนุ่ที่ว่าแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ม่องา่านี้ น, นี่มาดูขำอี่บายในตังขาเนหะน้าสองสิบสาม น, นะครับข้อที่หกนะอธิบายจาริตะ์ศิกขาบทนะจาริตะ์เคว่าใช่ไนนะความเที่ยวไปที่เราท่องเป็นยังไงนะโยปะนาที่ขู่อะไรนิมันติโตใช่อโยปะนาที่ขุนิมันติโตสะพานโตสมานโนสันตังที่ขุงอนาบุชชา กุเรพระตังวาปัญชาพระตังวากุเลสุจาริตังอัจเฉยยะอันยัจาระสม ญ, ญาปานจิตยำตัดขายังสมโยจีวร า, านสมโมโยจีวรก า, านสมโยอายังตัฏสมโอืยเ ม, ม, มจาริตังปัเฉยะนีครับึ่งถึงการที่ไปสืกคุณองไม่นะใส่ท่อง ไ, ได้็ท่องน้ครับฝั ถึงนี้นาอ า, าึงทราบอธิบายสุขาบทที่หต่อไปนะครับบทว่านิมันติโตความว่าพิสุอันทายกนิมนต์ด้วยโพชนะห้าอย่างใดอย่างหนึง่งควาว่าสัตโตสมาโนความว่าเป็นผู้มีพัท ด, ด้วยพัทที่เกิดจากการนิมนต์นั่นแหละครับก็คือมีพัทธ์ที่าดิมนต์ที่ไหนนะควาว่าสังตังติขุงอนาปุชา ไม่บอกลาที่สุดที่มีอยู่นี่ น, นะครับนั่นเอาเรก็ไปแยกธาปัญญาเองไม่บอกลาที่สุดที่มีอยู่ อ, อความว่านะครับที่สุดเห็นที่สุดอื่นอยู่ในธัตุนูประญาปัญญาที่จะเห็นได้าตามลนตินี้นะครับเพรไม่ไกลนะภายในวัดนะครับอ่าเพื่อจะบอกที่สุดใดด้วยถ้อยคําตามปกตินะเขาไม่ได้อยู่ไสามารถบอกได้ตามธรรมดา ก็ประมาณหกไมน้นะครับไม่ไกลมากอยู่สองสองนะไม่ยอมบอกพิสุทเช่นนั้นนะครับด้วยคําเช่นนี้ว่าเราจะไปบ้านนะครับทำไมพิสุทที่มีอยู่ใกล้ๆท่านก็ไม่ยอมบอกนะครับของทายอมชื่อนี้หรือว่าเราจะเที่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ยอมบอกใครนะครถ้าบอกไว้ก่อนดีใช่ไหมเดี๋ยวชายยกพารถมารับเดี๋ยไปกินนะ้มนต์เนี่ยเราจะได้บอกแกได้ ว่าภาพรูปนั้นมันไปไหนแล้วถ้าได้ตาไปใช่ไหมครับตาไปร่าแล้วก็ไปไ ป, ไปนิ ม, มนต์แกนะ <c oughs> เอคําว่าปุเรพตังวาปัชฉาปุเพตังวาความว่าท <c oughs> ี่สู่ถูกทางยกนิมนต์ด้วยพานใดฉันพระนั่นแล้วก็ตายังไม่ได้ฉันนั้นพาะนั้นก็ตานครับนี้นะแต่ก็ยังเป็นเวลาช้าช่วงเทีนะ่ยงนี้นะใช่ไหมครับ คำว่าตูเรศุจริตตาปชัชชะยะพึงถึงการเที่ยวไปแต่กูลทั้งหลายในชะ่ไหมความว่าทางยกในแต่กูลใดนิมนต์พิสูจ <c> น <oughs> ไม่ไปยังเอ่อไปยังตระกูลอื่นจากตะกูลนั้น <c oughs> ตระกูลที่เขานิมนต์นะคำ ว, ว่าอายตระสมัยาอารจิตยังความว่าถ้าพิสูจนนั้นเว้นสองท้าตามลักษณะดังกล่าวไว้แล้วเสีย คานดนสองฮ ะ, ะแล้วก็คลานทำจีวรคะรับพิสูจน์เข้าไปสู่ตระกูลหรือในเวลาก่อนเที่ยงเนี่ยท่านกำหนดนะก่อนเที่ยงถ้าหลังเที่ยงแล้วก็จะไม่เข้าข้อนี้นะครับจะไปไหนก็แล้วแต่หลังเที่ยงแล้วเพื่เก็บนะครับนี่หมายถึงในช้นาช่วงเที่ยงน ะ, ะจากนั้นเมื่อเข้าถึงเขตเรือนต้อบัตทุกขกนะครับแค่เรือนเอาขนาดไหนครับ เราเคยเรียนนะเขตเรีนอืมใช่นี้เรือนชื่อปัจจารเรียนครับน้ําตกชายคาใช่ไหมไอ้นะครับถูกต้องนะครับเนี่ยนะเรือก็อาศัยน้ําตกชายคาเข้าไปนี่ครับเนี่ยพอเมื่อเข้าเข้าไปในบ้านในเรือนเขเลยนะเมื่อเข้าถึงเขตเรือนเนี่ยต้องเอาบัตรผู้กดนะครับเลยทอนีนประตูนะครับไอ้ตรงประตูบ้านเขาจะมีทออยู่ประตูใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วนะ ะะภะร่ก้าวแรกต้องอาบัตทุกกฎอีกตัวหนึ่งนะครับก้าที่สองต้องอาบัตปานจิตดีก็เข้าไปในบ้านเต็มที่แล้วใช่ไหมเ้ในบ้ิเพราะงั้นก็เดินผ่านบ้านหน้าบ้านอะไรไม่มีปัญหานะเพราะว่าตัวไี้หมายถึงเข้าไปในเรือนเท่าเลย่แห่เกิดและประเภทอาบาัตนะครับสิขาบนนี้เมื่อพระเจ้าทรงปาลบเข้าปนันทะในเมืองราชสกุ์<ส><ส><ส><ส><ส><ส> <S. ตงมันอย่างนี้แล้วก็เหตุคือการเทียบไปเรื่อยๆในตระกูลสุขาบนนี้มีอนุบัญญัติสี่อย่างคือสอตังพ่คุ้มมีทนะี่สุดที่ตนจะบอกก่อนเขาา้าว่าสอสอนาคุชาม่ยอบอกสามปุเรยพระตังปัะชาพระตังเป็นเวลาก่อนฉันหรือหลังฉันอันยัตราสมัยสี่เนะี่ยเว้นไวแต่ทาง สิกขาบทนี้เป็นสาขาราหบางอยางที่ศุกีก็เหมือนกันก็เป็นยาประหน้าพิคุนีนี่มันติตาสัตตา ส, ะสะมานาสันติงพิคุนิน <c oughs> เปลี่ยนลิงไปนะนี่เลยครับแล้วก็อนานติกาไม่เกี่ยวการใช้การทำเองต้องอา่านบทติกาปาจิตินะครัคือเข้านิมนต์แล้วเข้านิมนต์ออกชื่อโพชนะแล้วน ะ, ะเข้าใจสงสยัยสาคัญผิดนะครับ ถ้ายังเที่ยวไปตระกูลอื่นก็ต้องระบัเท่านั้นถ้าเราเดินไปให้ตรงตรๆตามตัวคือเทียบไปตระกูลอื่นนะถ้าเป็นบ้านเราจะเข้าใจผือว่าเป็นหมู่บ้านของเราไม่ใช่ตรกะกูลอื่นหรือเข้าไปเรียนเรียนอื่นอะครับวันนี้นะถ้าปอาจารสัตว์นะชายกไม่ได้นิมนต์เขาไม่ได้นิมนต์หรือไม่ได้นิมนต์ออกชื่อนะโคชนาอะนะที่สุดสาคัญว่าชายก็นิมนต์แล้ว หรือมีความสงสัยนะครับก็ยังเที่ยวไปนะอันนี้ต้องกดอนาบัตรทายกไม่ได้นิมนต์สาคัญว่าไม่ได้นิมนต์ก็ดีไม่ต้องอนาบัตรนะครับบอกลาี่สูจที่มีอยู่ในสมัยก็ดีในว่าสิบอกลาอันคนละคนละขอ้ขอกันนะบอกลาที่สูจน์ที่มีอยู่ก็ดีอันนี้นะครับก็มีปัญหาแล้วก็บอกลาพระที่มีอยู่ใช่ไหมนะครับ ก็ไม่ยากถ้าเราเจอไม่ต้องทาบานแล้ก็บอกลากลับไปเช่นเดีในสมัยพอดีนะครับก็คือในพ า, านิสงพรรณาในสงกระธิ์แล้วก็พาสิวอนในสมัยที่ครับไม่ได้บอกลาพิสูจน์ที่ไม่มีเข้าไปก็ดีไม่มีพิสูจน์หยุดแถวนั้นเลยนะครับมีแต่ปิดประตูเงี้ยหมดนี่นะรู้ไปไหนนรับไเที่ยวไทยเลยหรืออยู่ใกล้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวบอกถึงขนาดนั้นนะครับเอาพาสิอยู่ใกล้ ไม่บอกลาพิสูจนที่ไม่มีเข้าไปก็ดีไม่เป็นไรเดินผ่านเรือนหรือปราชญ์ละเรือนของบ้านอื่นก็ดีนี่มันเป็นอะไรนะครับสมมติว่าเราก็จะไปไอ้บ้านงานกิจมณฑ์นั่นแหละเราต้องผ่านบ้านเขาอื่นไปก่อนใช่ไหมเราพูดแบบได้น ไ, ไปสู่อารามอื่นเฮ้ยได้ไปวัดอื่นไม่เป็นไรนะครับเขาดีเป็นแบบพ่อเข้าไปสู่ตระกูลอื่นนะถ้าไปวัดอื่นไม่เป็นไร ไปที่อยู่นางพิสุนีสำรับพิสุนีนะครับไปที่อยู่ยนีราชีสำนักนีราชีนะครับเพื่อพี่น้องสำนักนีราชีนะครับไปลงฉันสมัยก่อนก็จะมีลงฉันกลางหมู่บ้านและอันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรและก็ไปเรือที่เขานี่มนให้ฉันตัวดีไม่มีปัญหาดีแล้วก็ไปเวือนนั้นนะครับไปในคลามอันตรายก็ดีอันตรายชีวิตละภพมันจังนี่นะ เรก็เตัวรอดไว้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นไงได้พิสูบ้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องหาบักรลองมาดูไปนะครับองค์อาบัตสิกขาตัวนี้มีองค์ห้าเหล่านี้คือหนึ่งพิสูจยินดีการนิมนต์ด้วยโพชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะไล่นะครับเขานิมนต์โพชนะห้ายินดีคือระล่ำนิมนต์แล้วนะร้านิมนต์ไปแล้วนะครับ สองไม่ได้บอกพิสูจที่มีอยู่ก่ น, นะครับสามไปเรืออื่นจากเรือนุโมนไว้สี่ยังไม่เลยเที่ยงเพราะนี้นะถ้ามาเลยเที่ยงไปแล้วก็จะไม่เข้าในข้อกำหนดของสิขาบท น, นี้นะครับก็ไม่เป็นไรไปเที่ยงไปไหนก็ได้แต่มันก็ไปโดยข้อนะึงเข้าไปในเวลาวิการใช่ไหมแล้วก็ไปบอกลานั่นนะครับในเวลาวิการไปอันนะั้นไม่ได้มีคลาบที่จะไปได้นะครับ ไม่ใช่ในสมัยอันสองหรือสมัยธรรมจีวร น, นะหรือไม่มีอันตรายครับเมื่อครอบองนะห้านี้ก็เป็นบากไปตีในสิขาบทนี้ครับ <c oughs> สมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับในปฐมกสิสขาบทนั่นเองคือเท่าไหร่ครับกายวาจากายวาจากายาจาสิทธิมีเขียนบอกมาแล้วใช่ไหม เข <c oughs> ้าต่างเขียนไหมฮต่างแต่สิคราบวันนี้เป็นกิริยากิริยาต้องอาบัติเพราะทําและไม่ทำอะไรอ้าวต้องอบอองอัติเพราะทำยังไงครับเข้าไปสิวเรือนอื่นใช่ไหมพ่อไม่ทําะไรครับไม่ทำการบอกไม่ทําการบอกลาที่สุดที่มีถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ไม่ไ ด, ดูไม่ไม่ดู ไม่มีตัวนี้ไม่ได้เขียนบอกเจ้การที่บายจาริตาสินค้าบทุกครับเจ้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะแล้วก็เราวังให้ดีก็แล้วกันนะครับเกิดไม่ใช่ช่วงอันนี้สงช่วงนี้สองนะใช่ไหมและเขาก็นี่หมดออกชื่อออกชื่อโคชนาเราครับคนที้เข้าไปสู่เรืออยู่นก็ได้บอกอันถ้าไปโรงงาบาลเนี่ยถือว่าเป็นเรียนอื่นก็ไปหาง้อที่โรงพาบาลเนี่ย นันเป็นเรียนอื่นไหมครับ <c oughs> จะว่าโรงฉันก็ไม่ได้สำนักอดีรของดนตรีอะไรก็ไม่ใช่ขยันเป็นโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> เราไปจะไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอก่างไงพอเสร็จแล้วก็จะเลยไปกินมเลยใช่ไหม <c oughs> แต่เราไปหาหม อ, อเอนนะเป็นยัไงเป็นเรียนมันก็ต้องเป็นใช่มนะครับ <c oughs> มีคนอยู่แรกใช่ไหมคะก็ต้องเป็นเรียนแหลงนะคะแล้วก็ลบลากิจุขที่มีอยู่